ระโอาวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาททรงสแสดงเกียรตลูกตั้งแต่วันตั้งแต่เริ่มแรกประกาศธรรมจนกระทั่งถึงวันปรนิพ่าน เป็นเวลานานถึง45ปีพระวาดทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่พระองค์ทรงทุ่มเทลงชำระสะสางหรือชำระล้างตาปรามสิ่นที่ชั่ว ซึ่งมีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกทั้งนั้นทั้งวิธีละทั้งวิธีบำเพ็ญซึ่งกลมคืนกันไปโดยลำดับตั้งแต่วันประธานพระโ อ, อวาทจนกระทั่งวันประณีฐานถ้าคิดเป็นเครื่องมือก็จะได้สักกี่ลํำรถ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 สิ่งเหล่านี้จะมีความหนาแน่นมั่นคงขนาดไหนจึงต้องได้ทุ่มเทลงด้วยการชชาล้างโดวยวิธีต่างๆถึงจำนวนขนาดนั้นให้เราคิดดูสิ่งไม่ดีทั้งหลายในหลักศาสนาท่านให้ชื่อว่ากิเลส เครื่องมืหมองมืดตือภายในจิตใจเป็นสัมคัญเพราะกิเลสไม่มีบ้านมีเรือนไม่มีสถานที่ต่างๆเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนสิ่งที่มีวัตถุทั่วๆเป็นวัตถุทั่วๆไปเช่นอย่างสัตว์บุคค ล, ลมีบ้านมีเรือนมีรวงมีรังมีสถานที่อยู่อาศัยส่วนกิเลสนี้อาศัยหวัวใจของสารโลกเท่านั้น เป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่ทำงานทุกแง่ทุกมุมตามความต้องการของตนหรือตามวิสัยของกิเลไม่มีเวลาวลาปีเดือนไม่มีสถานที่นั่นที่นี่ไม่มีการยกเว้นเป็นเช่นหยุดเหมือนเราหยุดราชการงานเมืองอย่างนี้ไม่มี มีเฉพาะเวลาหลับสนิทเท่านั้นเป็นเวลาที่ทเลสอาศวะประเภทต่างๆทักตัวไม่ทำงานนอกนั้นเป็นเวลาทำงานของมันทั้งนั้นผลที่ทำขึ้นมานั้นจะม่ให้เป็นความหนาแน่นภายใน จ, จิตใจของสารโลกได้อย่างไร โดยเหตุนี้ผู้ที่จะแวกว่ายออกจากสิ่งที่หนานแน่นแก่นแห่งวัดตะวนทั้งหลายนี้จึงต้องได้อาศัยความภาคเกลียนอาศัยความอดความทนอาศัยสติปัญญาศรัทธาซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำชะล้างสิ่งสกปรกทั้งหลาย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 ข่าสุดมีความแน่นหนาอยู่ภ า, ายจในจิตใจการต่อสู้หรือการรบกับค่าสึกเราจะใช้ความอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลดังที่เคยเป็นมาตามอำนาจของกิเลสมาใช้ปราบกิเลนั้นไม่ได้ผลแม่นิดหนึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายให้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น การส่อแสวงหาอัตธรรมเพื่อพระองค์เองของพระพุทธเจา้าเราทั้งหลายย่อมเห็นแล้วในตำราว่ามีความแตกต่างจากการสาะแสวงหาของโลกทั่วทั่วไปอย่างไรบ้างมีความแตกต่างกันตั้งแต่เริ่มแรกเสด็จออกสมพระนวล จนกระทั่งวันตรัสรู้ไม่มีใครเหมือนพ ร, พ, พระพุทธเจ้าที่เวลากำลังสาะแสวงหาความพ้นทุกข์ออกจากวัตะวลนี้เลยจึงควรอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายจะนำมาเป็นพุทธทางแสนงคาฉันโดยทางปฏิปทาของพระองค์ที่ทรงดำเนินมาไม่เพียงระลึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้น ว่าเป็นผลสำเร็จอันดีงามเป็นที่พึงใจแก่ตนเองสิ่งสำคัญอยู่ที่การยึดปฏิปทาของพระองค์มาดาเนินแม้จะไม่ได้แบบฉมับของพระองค์ทุกๆกระเบียดก็ต่างแต่ก็ยังจัดว่าเป็นลูกศิษย์มีครูที่ดาเนินตามครูแม้จะช้าก็ไม่ได้ลดละความภาคเพียรไม่ได้ปีกแฝะ ออกนอกลูกนอกทางพอจะผิดหวังในการดำเนินของตนเพื่อตามสเสด็จท่านใหถึงจุดหมายปลายทางที่ทรงชี้แจงบอกไว้ทุกแง่ทุกมอุอนักบวชและผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะสามารถทำได้ทุกเดลั่มเวลา ในงานอันเป็นการถอดถอนสิ่งที่เป็นค่าสศิษย์ต่อจิตใจของตนนี้สำหรับประชาชน ญ, ญาติโยมเขาก็เป็นอีกประเภทหน่งหน้าที่การงานของเขามากเวลาเวลาที่จะหมุนตัวเข้ามาสวดสุธรรมตามความต้อ ง, องการได้ทุกเวลาาเวลานั้นเป็นไปได้ยากไม่เหมือนพระของเราสำหรับ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 ทั้งทั้งที่ทำทุกบททุกบาทที่เข้าสู่หัวใจเพื่อความสว่างาากระจ่างแจ้ทั้งนั้นไม่ได้มีทำบทใดที่สอนจิตใจให้มืดดำําขาวสอนเพื่อความสงบปล่มเย็นสอนเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อความเฉลียวฉลาดทั้งนัง้นแต่ผู้ปฏิบัติ ท, ทําไมจีงกับโรงเงินข้าม กลายเป็นค่าสิกต่อาศาสนาธรรมไปเสียซึ่งก็เป็นค่าสึกต่อตนเองอยู่นั่นแหละหลีกไม่พ้นแลเวลานี้โลกกําลังหมุนไปตามสิ่งที่กล่าวนี้มากต่อมากมองเห็นได้อย่างชัดเจนจนเป็น ถ้าหากว่าจะคิดในะทางอีกหนาละอาใจก็เทียบกับโรคที่หมอจะหมดอะไรตายอยากไปแล้วเป็นโรคที่ไม่ฟังยาเรื่องของสแสลงโรคนั้นกินดูทุกเวลาจึงสแสดงความกำเริบขึ้นอยู่ไม่หยุดไม่ถอยทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่เป็นไปตามกันหมด ความโลภก็ออกหน้าออกตาเห็นได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดบ้านนอกในเมืองชาติท่านวั น, นใดมันเป็นประำตามกันหมดความโลภท่านบอกว่าเป็นไั่แต่สิ่งที่มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมกว่าจิตและ เป็นจามนาศของติดนั้นมันก็พลิบเปลี่ยนไปเสียอย่างอื่นตามความต้องการของมันให้เห็นว่าความโลภนี้เป็นของดีเป็นสิ่งที่ควรจะสั่งสมขึ้นให้มากแม้จะออกหน้าออกตาก็ไม่มีวันเป็นความนิยมกันไปหมดซะแล้วนี่คือเรียกว่าต่างคนต่างสั่งสมต่างคนต่างส่งเสริม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 เมื่อสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันต้องระ บ, บาดศาสตรกระจายเอกไปหาสิ่งเกี่ยวข้องผูกเกี่ยวผู้เกี่ยวข้องดูโดยดีโลคโลคอะไรนะคําว่าโลคมันไม่ใช่โลคอีกเพียงภายในจิตมันโลคเพื่อสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนี้ให้ได้ตามความมุ่งหมายความเพียงพอไม่มีเมื่อความโลคมันมีขึ้นมามากเกินเลยแล้ว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 โดยหลักความจริงไม่ได้ตำหนิติดเตียนแบบตามชอบใจแต่ตำหนิติดเตียนโดยควโดยหลักความจริงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อสัตว์โลกจริงๆเมื่อมีมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นภัยมากเท่านั้นการยับยั้งตัวเองไว้ให้อยู่ในระดับพอสมควรตามฐานะของมนุษย์ที่มีความเฉลียวฉลาดเพื่อความสงบสุขต่อตอนและส่วนรวมแล้ว ย่อมมีการละงับดับกันได้ให้อยู่พอประมาณไม่ถึงกับต้องผ่าต้องผลนกระจับกระจายระบายไปทุกแข่งทุกหนตำบลหมู่บ้านจนกลายเป็นฟืนเป็นไฟไปตามๆกันหมดเพราะอำนาจแห่งไฟเหล่านี้ถ้ายังไม่เห็นโทษอยู่กราบใดแล้วธรรมชาตินี้แหละจะเป็นไฟมล า, ายการเผาโลก ไม่ใช่ไฟอะไรล่ะพระอาทิตย์ก็เป็นพระอาทิตย์ไฟในเตาก็เป็นไฟในเตาไฟในใจนี้เหนือไฟทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอะไรเสมือเหมือนแล้วในโลกนี้นี่แหละปราดทั้งหลายท่านตัณนิตัณนิถูกจุดที่สัตว์โลกจะได้รับความเดือดร้อนหรือร่มเย็นตาหนิว่าเดือดร้อนก็เดือดร้อน ชมเชยว่าร่มเย็นก็ชมเชยที่นี่นี่เราเป็นนักปฏิบัติให้ดูจิตใจของตัวอย่าดูที่อื่นซึ่งไม่ใช่เป็นสถานที่ก่อพืนก่อไฟเผาตัวเองดูที่จิตนี้แหละเป็นตัวการเพราะลากฐานหรือลากแก้วอันสำคัญซึ่งมันอย่างลึกนั้น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 เป็นรักเป็นตอนเป็นชิ้นเป็นอันนี่เป็นหลักสำคัญที่เราทั้งหลายพึนคิดเสมอเพราะสิ่งที่เป็นภัยมีอำนาจมากภานในจิตใจความเคลื่อนไหวไปมาของจิตจึงมีแต่เรื่องอันนี้บง่งการทั้งนั้น สาติไม่ทันปัญญาไม่ทันเพราะนี่มาทีหลังและต้องสังสมขึ้นให้มากด้วยความภาคเพียรของตนจึงจะมีทางทันกันได้รู้เรื่องกันได้อย่ามองอื่นมองไกลที่ไหนมองลงที่ปิดนี่แหละสถานที่ก่อฟืนก่อไฟก่ออยู่ที่นี่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 เกี่ยวกับเรื่องความเคลื่อนไหวของหมูคณะถ้าเป็นนักมวยก็เปิดช่องว่างเสมอมีแต่ช่องจะสลบสลไหลช่องตายทั้งนั้นแลกกิเลส ย, ยิ่งฉลาดยิ่งกว่านั้นไปอีกเป็นไหนไหนยิ่งกว่านักมวยทำไมจะไม่สลบสลไหลเพราะมันได้ จึงต้องผิดสติปัญญาอยู่เสมอทุกก็ทุกเธอทุกด้วยความภาคเพียรไม่เป็นความร่มชมเสียหายแต่อย่างใดเราเคยทุกมาแล้วในสามโลกธาตุนี้เราท่องเที่ยวมาซะพอแม้จะจำไม่ได้ก็ไม่มีอะไรผิดจากความจริงคือจิตซึ่งเป็นตัวนักท่องเที่ยวไปตามวิบากกรรมดีชั่วของตนดวงนี้ไปได้ นี่เป็นเครื่องยืนยันเราเคยทุกมามากน้อยเพียงไลจำได้มาได้มันก็เคยทุกอยู่แล้วเอาหัวใจดวงนี้เป็นสักขีพยานแห่งการรับของทุกข์ทั้งหลายการประกอบความภาคเพยียรถึงจะรับความทุกข์บ้างก็ทุกเพื่อเป็นสี่มงคลเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความผนใจของตนจะเป็นความเสียหายที่ไหนนอกจากเป็นเครื่องหนุนขึ้นไปให้เล นับสิ่งที่ตนมุ่งหวังจากความภาคเทียนอันเกิดจากความทุกข์นี้เท่านั้นพยายามให้สงบผู้เริ่มฝึกหัดจิตเอาให้สงบ ทำไมจะสงบไม่ได้ทำเครื่องบังคับให้สงบมีอยู่เมื่อเรานำมาปฏิบัติตอ่อจิตใจทำไมจะสงบไม่ได้พยายามทำให้เป็นการเป็นงานประจามจิตของตนจะภาวนาบทใดก็ตามหรือจะกำหนดอนาปานสติให้มีสติ สืบเนื่องกันอยู่นั้นไม่ต้องไปคาดถึงผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างให้เสียเวล่มเวลาและเคลื่อนจากงานในวงปัจจุบันที่กําลังทําอยู่แล้วจะไม่เป็นผลสืบต่อกันไปตามความมุ่งหมายให้จิตมีความจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับงานของตนที่ทํานี่คือวิธีการที่จะทําจิตให้สงบ หรือไม่สงบด้วยวิธีนี้เราจะใช้อุบายปัญญาสกัดลัดต้อนกระแสของกิตที่คิดในแง่ต่างๆด้วยความผาดโผนของตนก็ต้องใช้ความผาดโผนของสติปัญญาหักห้ามกันอย่างเอาจริงเอาจังเอาไปโนตายจิตจะพ้นวิสัยแห่ ง, ง, งการฝึกการทรมานของตนไปไม่ได้ย่อมจะอย่างเข้าสู่ความสงบโดยไม่ต้องสงสัย นี่มีหลายวิธีที่จะฝึ ก, กจิตให้ได้รับความสงบเย็นใจตาถ้าหาความสงบไม่ได้แล้วก็ไม่ผิดอะไรกับไฟทั้งกองซึ่งเผาอยู่ภายในจิตของตนตลอดเวลาสถานที่นั่นที่นี่ไม่มีอะไรสำคัญทั้งนั้นถ้าจิตลงได้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแล้ว ไปอยู่ไหนก็ต้องเป็นไฟอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงพยายามฝึกฝนทรมานในจุดที่ร้อนๆนี้ให้เกิดความเย็นขึ้นด้วยอํานาจแห่งธรรมจนได้ทําอยู่ที่นี่ความสงบร่มเย็นอันเป็นที่พึงอันเป็นที่พึงหวังโดยลําดับอยู่ที่จิตนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่น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 สืบเนื่องกันไปกับเนี่ยนั้นนั้นดูที่ร่างกายของเรานี่มันมีอะไรเห็นดูยอย่างชัดชัดทำไมให้กิเลสมันโกหกก็ได้ต่อหน้าต่อ ต, อ ต, อตาเราโง่ขนาดไหนนังหอกระดูกอยู่ทื่เท่านี้ยังมาเสกสรรท่านยอยังมาสำคัญมั่นหมายยังมาเชื่อความหลอก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 เช่นเดียวกับเครื่องมือทำงานความรับทราบในแง่ต่างๆนั้นเป็นเรื่องของจิตคนตายแล้วไม่มีความรู้แม้ตาหูสมมูลิ้นกาจะยังสมบูรณ์อยู่ก็าตาความรู้ไม่มีเลยจึงเรียกว่าคนตายความรู้มีอยู่เครื่องมือใช้ไม่ได้เช่นหูหนวกหูไม่ได้ยินจิตก็รู้เพราะจิตมีอยู่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 จากความรู้ซึ่งเป็นตัวการสำคัญนั้นคือจิตแยกและดูให้ดีความจริงจะไม่พ้นจากที่กล่าวนี้ไปได้เลยอวัยวะทุกส่วนความรู้ปรากฏอยู่ที่ไหนคือกิตสร้างไปที่นั่นถ้ามีความรู้เลยก็เรียกว่าคนตายเราพิจารณาเห็นได้อย่างชัดเจนในวงปฏิบัติของเรา เนื้อร่างกายอันนี้มันก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนั่นเองเหตุใดมาว่าเป็นเเป็นของเราได้และท่อนไม้ท่อนฟืนไม่แสดงความปฏิกูลโสโครกไม่แสดงการรบกวนหรือบีบทันจิตใจให้รับความทุกข์ความลำบากเหมือนร่างกายนี้เลยเหตุใดจึงมาเสกสรรท่า น, นยอมเอาสดสดร้อนรอนทั้งๆั้ ง, ท, งที่มันปลอมเสกให้มันจริงตรงไหนมันจะหาความจริงได้อย่างไรเพราะมันไม่จริง ตัวเห็นนี้จงึงจงอย่างสติปัญญาลงไปพิจรารณาหนังเนื้อเอ็นกระดูกภายในร่างกายนะส่วนไหนเป็นส่วนที่รู้ไม่มีทุกอวัยวะหาความรู้ไม่ได้มีไปจากจิตทั้งนั้นไม่พิดอะไรกับวัตถุต่างๆแยกแยะดูตามความจริงนี้นี่คือธรรม นี่ไม่ตลอมเป็ น, นจริงอย่างที่ว่าอย่างที่รู้ที่เห็นอย่างที่พิจารณาจริงๆนอกจากเราไม่พิจารณาแล้วเมาเอาเลยเมาเอาเลยเพราะอำนาจของสิ่งจอมปลอมทั้งหลายพาให้เหมาพาให้ยึดให้ถือพาให้รักให้ชอบนอกจากนั้นก็พาให้เกลียดให้โกรธไม่จะเรื่องจอมปลอมทั้งนั้นพิจารณาแยกแยะออก ยังไม่ตายก็พิจรารณาได้ทำไมพิจรารณาไม่ได้นี่กำหนดให้ตายก็ได้อา น, นิจจังทุกขังนาตามมีอยู่ทุกระยะทำไมจะพิจรารณาตามหลักความจริงนี้ไม่ได้เะ็นอาสุพะอาสุพังก็มีอยู่ทุกระยะเต็มอยู่ในร่างกายอันนี้ทำไมมันถึงไป ยดเอาสิ่งที่ปลอมความจริงมีอยู่พิาจานาเห็นตามความจริงนี้ทําไมไม่ยอมพิจนาะและทําไมไม่ยอมรู้ค้นคิดลงไปที่ตรงนี้จนเห็นความจริงขึ้นมาจะเป็นฝ่ายอธิภะอริพังก็ชัดกับใจจะเป็นเรื่องแตกสลายทําลายก็ชัดกับใจจนกระทั่งกลายลงไปเป็นธาตุเดิมของเขาคือดินน้ําลงไป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 เือญาติค น, นกับพิเลศอีกจึงต้องไรับความทุกข์ความลาบากเพราะความรุ่มหลงของตรอมทั้งหลายอย่งนี้นีการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้แล้วข้างนอกก็เทียบกันได้อย่างนี้รูปใดากายใดจะไม่เป็นเหมือนกันมีหรือต้องเป็นแบบเดียวกันทั้งนั้นความแปรสภาพความนิ จ, จังทุกขังหน้าตาอัจฉริยะอัจฉพลมันเต็มไปด้วยกันทั้งนั้น สงสัยที่ตรงไหนพิกนาราแยกและลงไปจิตถ้าลงได้รู้ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ตามหลักความจริงแล้วจะมีความเอิบอิ่มมีความปีติมีความแปลกประหลาดขึ้นภายในตัวเองและเกิดความอัศจรรย์เบาขึ้นโดยลำดับๆจนน้ำตาล่วงเพราะความเห็นโทษของมันอย่างประจักษ์ให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 ในร่างกายจิตใจของเหล่านี้ไม่ได้นอกเหนือไปจากนี่เลยสมบูรณ์เต็มที่เช่นทุกสมุ ท, ทยัยก็มีเต็มอยู่ในกายในจิตนี้มรรคได้แก่ข้อปฏิบัติสติปัญญาศรัทธาความเพียรเมื่อเราผิดขึ้นมาก็มีอยู่ที่นี่ออกจากใจดวงเดียวกันนี้เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงเพราะการพิจารณาแล้วคำว่า น, นิโรธคือความดับทุกข์ ก็ดับไปโดยลําดับดับทุกขนั้ น, นคือตัวสาเหตุก็ตัวผลของสมูทยัยก็พราะดับสมูทัยได้นั่นเองทุกถึงจะดับไปได้แล้วก็เมื่อสัจธรรมทั้งทั้งสี่นี้ได้ทําหน้าที่ต่อกันโดยสมบูรณ์แล้วก็กลายเป็นของจริงล้วนๆขึ้นมาทั้งสี่อย่างท่านจะเรียกว่าทุกขังอริยสัจจ์ ทุกเป็นของจริงอย่างยิ่งสมุทัยอริยสัจจังสมุทัยก็เป็นของจริงอย่างยิ่งนิโรธคือความดับทุกข์ก็เป็นของจริงอันหนึง่งมักได้สรุปแล้วได้แก่ศีลสมาธิปัญญาแล้วย่นเข้ามาก็คือสติปัญญาเห็นรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลาย ตัดขาดความยึดมั่ น, นถือมั่นลงด้วยความรู้แจ้งเห็นชัดของตอนแล้วทุกก็ดับเพราะสมุทัยดับไปทุกเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้สมุทัยเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้มรรคเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้นิโรดนสิ่งที่ปรากฏได้ดับได้แต่ผู้รู้ว่าทุกสมุ ท, ทยัยนิโรดมรรคเกิดได้ดับได้นั้นคือผู้บริสุทธิ์ นี่นอกจากสัจธรรมทั้งสี่ไปผู้นี้และผู้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆบริสุทธิ์ก็คือผู้นี้ผู้พ้นจากทุกข์ก็คือผู้นี้วิสุธทธิธรรมวิสุธทธิจิตก็คือจิตดวงนี้นอกจากสัจธรรมทั้งสี่ออกมาคือผู้นี้ ทกาทั้งหมดนี้ไม่ได้นอกเหนือไปจากกายจากใจของเราของท่านพระพุทธเจ้ากอสอนลงที่นี่ได้รู้ลงที่นี่แล้วถึงได้นำมาสอนโลกศา ส, สนาเยาแย้มไปที่ไหนความเยาแย้มมันมันดูกับความเอาใจใส่ความประพฤติหรือไม่เอาใจใส่และไม่ปร ะ, ประพฤติของคนเท่านั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลย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 เย็นที่ไหนได้ไม่นีนั่นแหละสมัยนั้นแหละเป็นสมัยที่ร้อนที่สุดสมัยไม่คนไม่มีศาสนาะขณะใดก็าตามถ้าจิตของเราไม่มีสติสตังปราศจากศาสนาอิเล็กก็รุมร้อนจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายได้อย่างไม่ต้องสงสัยนี่ศาสนามันเดียวแหลมมันเดียวที่ถุงนี้จเจริญก็จเจริญที่ผู้บำรุงรักษาตัวเอง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 ถ้ามองตามโลกตามทุกข์นั่นก็คือมองตามอำนาจของกิเลสนาสว่าจะพอกพูมแต่ทุกข์เข้ามาภายในา จ, จิตใจไม่มีลรอกลดน้อยถอยลงได้เลยจิตที่ถูกครอบงำกับจิตที่เปิดเผยตัวเองนั้นผิดกันคนละโลก เหมือนกับคนที่ถูกบังคับบัญชาอยู่ใต้ความกดขี่บังคับบัญชาของเขากับคนที่เป็นอิสระเราก็เห็นได้ชัดว่าผิดกันจิตใจที่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งกดขี่บังคับกับจิตใจที่หลุดพ้นไปแล้วจากสิ่งบังคับนั้นผิดกันราฟ้ากับดินหินกับเพชรสิ่งที่กดขี่บังคับมันก็มีอยู่ในหัวใจของเราปุยรับความทุกข์ก็คือจิตใจ เราไม่สงสัยมีอยู่แล้วทุกคนไม่ไม่ทราบว่าจะติดจิตติดใจนอนใจไปกับสิ่งแบ่านี้อะไรต่อไปอีกพอที่จะได้ความดีความดีขึ้นมาจากมันทาไม่เร่งขวัขวายตัวเองจะเกียกตะกายด้วยความภาพเพียงของตอนพอจะหลุดพ้นไม่มีผู้อื่นผู้ใดจะมาถอดถอนให้เราได้ไม่มีผู้อื่นผู้ดใ ด, ดที่ นำลราออกจากที่คุมขังได้นอกจากความพักเพียรของเราตามหลักธรรมธรรมะอัตตาหิอตัตโนนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนงานก็ต้องทําด้วยเราผลจะเป็นของเราเองครูบาอาจารย์เป็นติดผู้แนะแนวทางให้เท่านั้นน้ำธรรมท่านกล่าวไว้ว่าตุมเหตุหิจจังอะหิจจังอาตตังอาขาตาโรสถากตา ความเพียรเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจากพึงทําด้วยตวนเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชีบ้บอกแนวทางเท่านั้นส่วนที่จะยึดเอาพระโอวาสนั้นเข้ามาแก้ไขแต่แปลงตนเองนั้นเป็นเรื่องของเราเราจะปล่อยให้เวลาเวลามาช่วยไม่มีทางหวันนั้นเดือนนี้สถานที่นั่นที่นี่โลกนั้นโลกนี้มาแก้ความทุกข์ออกจากหัวใจเหล่านี้ไม่มีทางอย่าคิดไปให้เสียเวลเวลา ยิเลศไม่เคยไปนิยมกับการสถานที่วเวล่ำเวลาพบนั้นพบนี้ที่ไหนมันฝังอยู่ที่หัวใจเสียดแทงที่หัวใจกดขี่บังคับอยู่ที่หัวใจเราเพราะฉะนั้นทำจึงแก่เครื่องแก่ยิเรศเครื่องปราบยิเรศจึงอย่างลงที่จิตใจดวงเดียวกันนี้ด้วยความเข้มแข็งไม่รุนละความภากเพียรเราจะเห็นแดนแห่งความอัศจรรย์ขึ้นมาที่ใจดวงกําลังอับเข่าอยู่เวลานี้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกัน เงี่ยหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้อย่าตื่นเต้นกับสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นของมีอยู่ในโลกเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดสับสนปนเปกันอยู่เช่นนี้ตั้งแต่ตับไหนกันใดมามันไม่เป็นอื่นไปได้สภาพใดมันก็เป็นสภาพนั้นของมันอยู่อย่างนี้มันหักเกิดการดับสัมผัสสัมพันธ์กันไปแล้วหายไปหายไปได้มาเสียไปได้มาเสียไป สิ่นั่นปรากฏแล้วสิ่นี้หายไปมีอย่างนี้ตามมิสัยของโลกอันนี้อยางทุกขังหน้าตาเราจะยึดเอาเป็นหลักเป็นเจนเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นที่ไว้อกไว้ใจเป็นที่อบอุ่นเย็นใจที่ไหนได้กับสิ่งเหล่านั้นไม่มีทางนอกจากพยายามบำเพ็ญทำเฉพาะอย่างยิ่งคือสมถะธรรมคือความสงบเย็นใจให้ปรากฏขึ้นภายในาจิตใจของตนผู น, นั้นจะมีความสงบร่มเย็นไม่ร้อนอจางนั้นก็อบรมให้ มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นในความสงบของตนให้มีกําลังขึ้นมากๆแล้วใช้ปัญญาปิณิพิจารณาในสิ่งที่มันปิดบังลี้ลับอแต่ไหนแต่ไรมาให้เห็นแจ้งเห็นจริงไปโดยลําดับดังที่เคยอธิบายให้แล้วโดยทางปัญญาตัณห า, าได้ฟังมาพอต้งป่วนอยู่แล้วอะไรกิตจะเปิดเผยตัวขึ้นทีนั้นรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นทีนั้น ความภาคภูมิใจก็จะอยู่ที่นั่นแล้วหมดความห่วงใ่ความวุ่นวายกับการที่นันสถานที่นี่วัตถุนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้มีมากมีน้อยในสามโลกฐานเป็นอันหมดความหมายเมื่อยึดได้หลักเกณฑ์อันเป็นที่พึงใจภายในใจของตัวเองแล้วสิ่งนั้นคือธรรมท่านจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมทำเหนือโลกคือสูงกว่าโลก ไม่ได้ว่าทำรรต่ํากว่าโลกถ้าทําต่ํากว่าโลกผู้บรรลุ ธ, ธรรมจะต้องเป็นผู้ต่ํากว่าโลกหาความประเสริฐไม่ได้แต่ผู้บรรลุ ธ, ธรรมนั่นแหละคือผู้ประเสริฐเพราะทำเพื่ให้ประเสริฐทำเป็นคู่ควรของใจใจกับทำพยายามให้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปถึงขั้นปัญญาธรรมเป็นขั้นขั้น เมื่อทั้งถึงมืดหลุดพ้นเราจะทราบชัดว่าความหลุดพ้นเป็นอย่างไรที่ใจของเราก็หลุดพ้นจากสิ่งผูกพันทั้งหลายนั่นเองมันหลุดพ้นเหาะลอยขึ้ น, นบนเมฆน้่นเมฆเป็นเมฆอากาศเป็นอากาศมไม่ใช่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลิศไม่ใช่สิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นแล้วจากสิ่งกดทวงทั้งหลายใจตรงนี้ประเสริฐอยู่ที่ไหนก็พอตัว หมดความสําคัญมั่นหมายในการสถานที่และวัตถุนา ม, มาทำต่างๆตลอดถึงพบนันชาตินี้ซึ่งเคยเกิดเคยตายมาแล้วถึงความสุขความทุกข์ที่จะได้ในสถานที่นั้นที่นี่หมดอะไรเพราะความอิ่มตัวความพอตัวสมบูรณ์อยู่แล้วภายในจิตใจจิตใจไม่หิวโหวยแล้วจะไปสอนนู่นสแสวงนี้ให้ลําบากลาบนทําไม เท่าที่กิจมันต่ออันแสวงก็เพราะได้อาหารไม่เป็นที่พึงใจนั่นเองอันนั้นจะดีอันนี้จะดีค้าที่ไหนมีแต่ฟืนแต่ไฟพ้าคว้าด้วยความโง่ไม่ได้คว้าด้วยความฉลาดอำนาจของจิเลดพาให้ฟ้าจึงเจอแต่ฟืนแต่ไฟถึงเราพยายามคว้าด้วยอัดด้วยทำสติปัญญาตัฐาความเปลี่ยนเอาให้ดีหลักฐานอันสำคัญสิ่งที่ประเสริฐสุดภายในจิตใจของ อยู่ภายในจิตใจของเรานี่ไม่อยู่ที่ไหนเอาให้เห็นตรงนี้เมื่อเห็นตรงนี้แล้วปัญหาทั้งมวลในแดนโลกธาต์นี้จะขาดสะบั้นตรงในปัจจุบันทันตา น, นั่นแหละปัญหาทั้งหมดหมดกมารหลักทีเนี่ยการสลับไรภพออกจากกิจิจังเป็นสิ่งที่หนักดูมาก แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยทำรรมวิสัยเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติผู้ต้องการหุดความบุดพ้นดูแล้วโดยดีทำบาริจาคทุกๆบททุ ก, ท ก, บ, ทกบาทเป็นธรรมทัทนสมัยเหมาะกับวิสัยของเราผู้ต้องการความบุกพ้นยึดเข้ามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของ จ, จิตใจให้พึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมสิ่งทั้งหลายเราเคยพึ่งมาแล้วเป็นอันตรายต่อเราทั้งนั้นกลายเป็นพิษเป็นภัยไปมดหาที่ไว้ใจไม่ได้ ไป น, นัน่นจงยึดทาให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ต่อจิตใจเอาให้เห็นแดนแห่งความอัศจรรย์มาอยู่ที่ไหนนอกเหนือไปจากหยดดวงที่ดูดลอยออกจากสินตำชาเหลวซามตั้งหลายอยู่ที่ตรงนี้แหละเอาให้ดีวันนี้หยุดเพียงตอนนี้ท่านปัญญาอธิบาย ห, หมดเพย่คนับ